เรถือว่าบาปนั้นเป็นผีเป็นไท่โยกโป๊กชัวอม่สมพ้วนแก่ตัวของตัวเจืงกัวบาปแห่งทุกข์ให้โทษแล้วมีเฮีิโอตปาถ้ำคือถ้ำของเชวดาถ้ำขาวค้วนงิมี่เฮลิโอตปาถ้ำยังเด็ไปคือสถานที่ดี ปาชนะบ่ถ้ำมันก็บ่ต้อเดืหาวันนี้ผู้ใดดอกปาถนะคว่ำตัวปาชนะควบ่ดีวะงามปาถนะคว่มถุกความเดือดร้อนแต่การกระทาของเฮาเอาไว้ี่เจน่าอานี่มันดีมันตัวเอาแต่งใจความอยากของใจยิดถูกยางได้ยามันแต่มันเป็นยาไหนมัน ถูกลับโทษเจ้าจีมันเป็นผลดีเลยมันนี่น้อยเจอาจีผลไอ้ผลส่วมันมากหาเข่าว่เลยใจตองพีเจไรหนา้าเหมือนกันก็คนยิ่งสูนนะ่เนี่ยวะเลยแน่ใช่สัดอันไหนยิ่งใส่ืมันไปถูกนกถูกควางถูกฟ้านมันหายงา่าย มันที่ถูกไห้เ่วนอ้วนจีจ่องม่องจริงจังแล้วจังยิ่งมันถูกคิบน้อยมีการตรวจตาที่แกหน้าสายใจของตัวกับท้านองเดียวกันมันตัวมันเสียวันไดไปย่านแจกไข่ลดถอนจริงคืมันบดี บ, บองง่ามบอกไป มุกมันสบายเดือดเหือดอันใดพยายามรักษาเอาไว้ปรับปรุงกายใจของตัวให้มันดีการทํามันดีการพูดมันดีการคิดมันดีมั้งจุ้กมันกจะสบายใจคิดสั่วพูดสัวท่าสั่วมันบรสุกิบรสสบายให้ขอความ ทุกโทษมันเกิดมาจากภายในจากการจิตการปูงข้องใจก่อนจะมาปูดมาถุ่มสาาวน า, าการราาักษาจิตหรือจิตท้องตัวหน้าจิตทองตัวแตมันยีในอารมณ์สัญญ้นากจีเป็นทงังมากทางขนหรือใหม่เนียมันเจนไปเะประกอบเรื่องทุกเรื่องโทษแค่ตัว สวดคาที่แยหน้าอยู่เรื่อยๆดูยิ้มดูใจของตัวก็เห็นสวดีมันเกิดขึ้นโตรวจตาที่แกหน้าอันใดจะให้มันใสจะให้มันสะอาดมันก็สะอาดบ่ได้ที่ห้าวโบปัดโบกวดโบดูโบเลยอะเยอะมันต้วยมันง่ามันสะอาดมันสะอาดไปบ่ได้เ้าปัดห้าวขวดมันจะบริสสะอาดเ้าวซักห้าวฟอกเจ็บห้ารักษามันจะเหน่สะอาด คิดใจแต่ถ้า น, อน้อ ง, ดองอเดียวกันอาศัยแต่ปีตัญญาอาศัยอาตอาศัยร้มซักพ่อปัดกวาดดูเรื่อยๆใจช่วยๆปุ่งๆจิตเนดจิดผองในอารมณ์ตัญญาต่างๆนั่นน่ะเดอดัน่ะแต่ี่เดือดอันปัญญาช่วยหักหามช่วยแจกไขกปัดกวาดอารมณ์ตัวเสียออกไปเรื่อยๆใจ สะอาดขึ้นทองใสขึ้นเห็น่อ้นอินท่ัมหรือเห็น่อ้นอินผูดจิงนั่นเ h o ก s บ h พอใจมันเกิดขึ้นจะใจของเ o u เ e h กับมีสิิหลูเท่าท่านเหลืองของมัน่นหวนมันขิดมันปูงเปนทัวร์ศาสเราหน้าด้วยการรักษาภาวนาาำายจิต บางอย่างน่เผ่ากับเถ่าชื่อๆเด้อมันเฒ่าไปน้าจิตใจมันเผ่าไปน้าเรื่องของาตายตายตายชื่อเดียกันหาใคตายไปน้าก็บ่งนิูนได้สิน่าก้องคิดปฏิบัติให้ยากให้ลบากทุกคนติเฒ่าตีแก่ติดลมที่ตายชื่อกัน ตายไปสิเหลือกันหามัแต่ดับแต่สิ้นหมดทบทบท่าไปเกิดในลำบากลำข้ามอีกจังน่ะผู้ชายเจ้าจเพิ่มบริสอนทั้งน่องนั่นสีต่างดูได้สิท่าทควาหูแจงแท่งตลอดได้พราะมีลมหายใจอยู่เท่า น, นั้นตายไปแล้วว่้มีหวัง ยิ i, day, yeah, we ่งงามสร้างคุณงามความดีใหญ่ไปสร้างได้นี่ตวงหวงหามดอกสางภาวนาสำายใจพราะได้บ่เหลือวิสัยสต่างใจเตต่างใจทำความเห็นความต็นของจิตของใจงบ ยังอับดายยิ่งยามท้ำยึ่ฟังถ้ำในใจของเจ้าของอาเป็นเรื่องเสื่อมอาจเป็นเรื่องดีก็ประทับประคองเอาไว้ใจมันอยู่ในขอบในเกล็ของอาร์ของถ้ำดูสิดูแลคิดใจผู้ดีเอาใจใส่ ตัวของตัว อ, อ, อยู่ยัยยงน่ะเหมนว่าฟังท่ำทั้งฟังทั้งท่ำไปเรื่อยเยาได้มันดีประโยชน์ท่ำอย่างนั้นเกิดมันเห็นมันเห็นมันรู้เียาได้มันเป็นโทษเป็นทุกข์ท่ำทำรามันออกไปอย่างนั้นมาจักมาฉั่งมาฟอมาขวนขีดใจอีกถูกคนพยายาม ตั้งเสียดจิตใจของตนศึกษาฟังธรรม อ, อยู่ภายในยางนั่นฟ้อมโง่ชื่อช่วยหัวมากใจเกาใจคว่ำแต่นับวันสีสลาดสิทมสลาดที่นี่น้อยนับวันสวีพูทนทมสลาดให้มากมุ่นต่อไปเกี่ยนจิตใจเบิกบานจิตใจท้องใสจิตใจ อยู่แฉกในอารในถ้ได้โอ้ร่มตัว้องตัวเด้อนาจะเห็นท่าทำละสาสางจีเรตันหาถวบเบลค่ในมันบเห็นดอกถ้ำของพระพุทธเจ้าบเห็นบหูแม่โบเห็นบหูมันเมื่อ มีติ๊กตาอย pode, ่างหนึ่งไปเหยียบได้คือย่างนั้นชัวร์ซลาโมกโซกรบพวกโซโม่ปันได้ก็เหยียบได้ไปเหยียบแต่จังควายเสียใจไขหลังเห็นไหมล่ะที่คนเหยียบไวายไ้เหยียบหมดเหยียบผูดของเราผองเหม็นพอมมืนผูมืนตาเวลาไปเวลามาบ่เลยเจอหน้ามันก็ไปเหยียบมัน หากเขียนน็พูดี้เพให้ไปเหยียบนันดอกผู้นีนี่ใส่ีปัญญ่ารักษาใจมันคิดิบคิาดคิดยี่คิดตัวย่างใดแต่นี่ใส่ปีระลึกลูกมีปัญญ า, าสวบซองมองดูว่ามันคิ wan, ดถูกยางใดเมื่อคไดจแก้ไขแต่ท่านเหตุการ เขารักษาตัวของเขาหลายอย่างนะเช่นว่าภูภาวนาภูฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะมันมีอยู่เนี่ย ใ, ใจทุกคนข้นขนาโหลบโกรลงมีอยู่วันใดธรรมะมันจะมีอยู่วันหนมันผูน้จน ที่องคนที่จนมันคือคนโง่มันใจจนคนบโง่จนดอกทำมันนี่อยู่ถูกยอมเงูประทนมาทรเสียงเลยตาทมาถูระทำา้นมาแกะไขทับลาความหลุมหลงนมาทำชือจริง มองบมเห็นเหตุาคือความทุกความทุกความผุม่งความแจงท้องใจเจ็นนำมาทำท่านก็เหตุการ์ของมันทูกยางฟังมันถูกยางที่เสียหน้ามันถูกยางมันเกิดปัญญาหลูแกแจ่งแฉ่งตลอดทับไหลยึดใจจีไปก็อเกี่ยว พวกพันเหมือนจกไฟมดไฟเนใจบริสุทธิ์สะอาดฟูฟีแกน่าฟูฟังธรรมะภายในมันนิยมปลูกฟูน้ำาเรามีปัญญาบริวรสจนชี่ เราดูโดดต่างหัวหัวมขันที่แบที่่างขนาะที่เรียกเของโจแต่เหนมนจรมันจะโจรย่ามรลึกความดีมารักษาหัวใจเดี่ยวความส่วมารักษา ความดีทุกคนอ้อยสะสมมากมอมนอาภับอวัตถนาพวกัน ไ, นะคนคไดดอกการท่ า, น, น, น, า, น, านอา้าวอุยให้้าถ้ำการรักษาศีลการจับการไหวการนยุดาภาวนาอะไรลึกเลกยไวเหมือนกันกับเรารักษาสมบัติ ของเลาไหวของสีนี้คุ้น่าเย็บไหว่ถานสีได้เอาใจใส่ัดจาเวลาเกิดความหลุดนไฟใหม่บ้านมากขึ้สวยเอาได้นีจะเป็นไเย็บไหวบนไดไปขึ้นไปบนไดเวลาไฟใหม่เนเ็บท่านนีเขาเราลึกในเสียงซุ่ความดีที่เขาทำมากกับทนองเดียวกันกับเขาเก็บ ของทีนีคาไวเวลาตายไปหรืดีเย็บเอาความดีสีนเนารักษาภ า, าวนาแล้วเขื่อถำท่านเขื่อห่อยเย็เยบเอาได้รว ล, ลึกไปในทางดีทางศีนทางถ้ำคนนั่นบรดไปดอกนรกจากนรกเขาบวชนอมปี บ, นบานเขายาก ว่ารับดอกคนดีถานทีตัวสีเสียมันเด็กไฟเขาก็บอให้เข่าเพื่อกันก็เอาสิบ่ริสุทธิ์จัดทบไปทุกไปตะล่างตำรวจเขาบ่กอนุญาตดอกแต่คนตัวเนี่ยโบป่าถนาอยากไปเขาก็ลากข้อของไปทางดีทีเท่าคิดได้ ละลึกได้ไม่เหมือนเวลาเราสิลมหายตายไปกลนบมาเดี๋ยวไปดูสถานที่ดีพอคิดลาเลิงบันเทิงจิตสะอาดจิตยุบจิตสบายจิตยิ่งความดีดีแต่ถ้ามมาเดี๋ยวใจเดี๋ยวว่าใจเดียวยยใจมันจะหายมันละลึกนึกเอาไว้ความสวัวร์จิตใช้ข้ามาเยอะสิไป หามากวนใจความชั่วผิดธรรล่วงไปเลวเป็นหยุดควาีชั่วลงไปแล้วไปัจจุบันจะไปเจ้าของมันพยายามแก้ไขคิดใจคิดไปคิดฝุ่งในเรื่องควาชั่วยังใจมันมัวมันเมามันเศ้ามันมองคือการรักษาใจของเจ้าของในทุกให้สบาย ว่าผู้ใดมันขอ้ำได้ถ่าสลาถางมันต้องเอาบ่าได้เอาฟ้องดีถ้าสวนมนต์ถ้ำวัดเศ้าทวัดเย็นถึงต่อเป็นบุญเปกุศลถ้าถ้ำเดยพคว่มสมากใจถ้ำเดยกคว่มเือมใจสัท่า ถ้ำไปเพราะเสียบว่าใดงั้นก็อันนี้โสงมันหน่อยถ้ำเหยียบเจตนามุ่งหวังเอาบุญเอาผู้สนจากตารกระท่ำของตนมันได้บุญยนนูมันบอมันเสียมมันเสียไปดอกจิตใจทองใสจิตใจยินดีจากทราบอยากหว่า ตายแต่ท่ามทั้งวหวจ้ากันเลยพูดออกไปทั้งใจกันเลยคิดเลยนะซึ่งง่ามคพิมดีของัตงสามทว่างบริเกียระเขาของเงินทองเอียงมันพอทาได้ทนะาความดีบร ม, ม, ม, ออ ม, ม, ม, มินทร์ทำเนี่ทําง่าย ใส่หน้าเพื่อกบจับพวกกลุ่มการทำชั่วก็อยอีกศิมันทรมเนี่ยเวลาไปชกไปสัญญาณไปจับพวกกลุ่มเขาข่าเขาแข็งทำยีแต่ว่าใจว่าทำทำโม้อรี่เดินอยู่คมภาวนาปกติแล้วเขาศิมป์ขามาแจงมาจับมากลุมแบบมันทำไง คนบุญทำบุญดง่ายไคนบาทำบาปดง่ายคนบุญทำบุญดมากทำบาปดยน้อยคนบาปทำบาปดมากทำบุญยน้สคิดกันคือิสนก็ดเมื่อคือิงันก็ดน ทำบาปทำบุญทุกคนมันเคยทำมากเกลียดมากและวันีผู so ้ใดอยากซื้ยูซอซื้อน้าอาปูนมัมันคงสีไหลยิ้ย่านแต่นีุ่ดนี้ปูงมี้สวยนี้ดีห่าเกลียเต็มออต่างอาหาจะไม่สวยไมจานจะไม่ใส่นี่กระดุกความคิดควาเห็น นดีส่วนในชนในใจข้งนอกมื่กี้ีจริงแล้วมันดีเลยยางปัเตาออกไปจริงแล้วมันดีจเก็บจำเอาไว้ใ้ารักษาใจใจข้างนอกสบายใจสบายายไปมัจะไปู่สวรรค์ฝัาได้ใจ้ัใจ ใจตอมใจเหวียใจเห่งใจเดือดร้อนวุนไหวตายไปสิไปสวรรค์มโนอยู่ไปมีธาตุมอนไยแต่จะถามหาใจนั้นเป็นแดดแสวรรค์นั้นบนันเดือดร้อนบนบนหุนวอย่ธาต้นใจที่นี่คือเหลือ ใจถ ja ี <rivers> ่ีความจ้องสายใจถี่มีความรังเลใจถี่หมดทีเหลยอตัณหาอริยาอุปาท่านใจโผิดบ่เชียวบ่เดียบบ่หล่อนบ่วุนบ่วายใจดับทุกข์ดับโทษหมดสิ่น มันมีเงิงได้สงสยัยมันต้องสิไปได้พยายามทำไปเห็นแล้วอย่างเงนปีเดือนเอาบัวทำมันสมมตไปที่ยุติได้บ้างส่มือตายขาเรื่อยคอยอนในในในถ้าอดีตใหญ่ผมมาจัดทุกอนถอยังสิคอยไปตั้งเสือสร้งถ้ำแล้วคอยสิไปเพี่ปฏิบัต ผู้ใดชาญโยนใจขึนมาศาสตรก็มาสอนของเจ้าอนึ hmm. ่ตัวท่านสอนผพระไตรเจ้าที่ห่วงไปแล้วอันนัควรยังวามาถึงคนเ่าว่าแตกกันด้วยล้วปาสงากันั่งสุสัลสุกุสัพัาิจิตตปฏิย่าตนัหรือตังพุานะท้าสด่งผพระเจ้าทุกพระองค์สอนคือกันมดสอนเหละตัว เหตุบำเพ็ญดีท่านจิตท่านใจใหุ้้องใส่บ่าใส่จากทุกโทษสอนทีกันหมดชัทชัวไปเหตเรนมดีทัวไปให้บำเพ็ญต่างจิตใจข้องตนให้รู้เห็นบ่าแตท่านตามเพื่นจริง สอนท่านเราบริบ่อถ้บ่นบบ่คิดบ่อึกบ่สอนจิใจใครเียกเนี่ยกลปดแต่ถ้าน้องเข้าหละฉนบ่มาปดท้าสอนน้ยงนีอยู่เาแต่ทามอมเพ่นจิตใจนึงจะเหยียกเย็นจิตใจนังจะเห็นแก่เอาบ่แต่ทามอมเพ่นเอา โบจุเหนือจตัวถึงศาสนามีอยู่คาสอนมีอยู่พระคุณใจเจ้ายั่งยู่นกบฏเ้ยรับผลรับประโยชน์อันใดให้วนใจของตัวยุกเดินแต่ท้ามันเชื่มันเห็นมันรูปมันเย็นมันสบายหรอกมันสบายหรอกโอบเม่กีวนวัวนฟันขาฟัน แจกกันยางใดก็เป็นเหม่องท้องโลกไม่ ว, ว่าโลกนอกออกจากตัวหรือโลกในตัวที่ขาดที่ฉันมันพวนปันสีแต่สีดับข้ากระโวดวุ่นว่ายพราะสิ้นสีเห็นที่สบายเขาเห็นอยู่อย่าขงาของขาดท้องขันมันเป็นยางใด อใจตามเปจริงของมั่นหลู่โกกนอกหลู่โกกในใจบริสุทธิ์สมมติเรื่องเท่านั้นพยายามทนเห็นมันเต็มแต่เย็นหยัดจุกมันโมนี่บนอื่นดอกทรรมนขององคุเจ้าอันนี้อยู่ ตัวก็เห้าทุกข้นถหัดตลาดแนวสอนเจ้าของสลาดแล้วสายเจ้าของมันจะไปได้มีความสุขความสบายนะครัค <Innovation? S 1> <mon> ือได้ทั้งว่อนระว่างคิดระว่างใจท่องตัวผู้นั่นแหละทุกคนจะบวงท้องม่านคือได้บัว เราว่างั้งว่นจิตใจท้องตัวเราผู้ น, นนะั้นเนี่ยถูกบ่วงข้องม่านวันนี้นบ่วงม่านได้นีสิมีแร่รักษามีสัญญามีสอนจิตใจเตียงเทาง่าในมันจะไปได้ั น, นี้หมากหนารยหลวงเองียงดอกนัหลุงหลง มีเท่าใดจะคปัญญาไม่เห็มีเท่านั้นเห็นมีเท่าไรสวางไม่เห็มีเท่านั้นเกิดมีเท่าไรตายไม่เห็มีเท่านั้นยามเกิดใส่เห็นแจ่มแต่การนันคิดในใจมันมดต้องใส ได้อ okay. okay? yeah. ีียวสานหนาสานน้ายันที่สุดสบายเจี๊ยงต้องใส่เี้ยงขาอถ้ำว่าใดขาดอยู่ันเป็นชุอยางในขาดขาดหนามก็ท้าน่องเยียวกันเถอะควรจะค่อยวันค่อยขึ้นค่อยจีค่อยเดือนแบบหนุดเร่งของเจ็นมันเจ็ดไคิดไม่ใจแตมันเย็นมันสบาย หายหวงหายสงสัยวัดาว่าวัดดึงิงใจเียหาจเรนนอกมัเนมาเพื่อนมาขู่มาคุยกันหลายแค่่ความว่าวแต่ไม่มาแใจส ขี่มูไล่ี่แหาแมันอได้กี่มานยมันจาดีขึ้อย่างเร่องะเรื่องี่้าการสงสอนน่นบเข้าไปขึ้นจิตเนใจห้บเจ็บบวชจำงอนบวชจิตอนี่อาร์ี่ถ้แต่งอนหมอนิมันไหวเยอ จำดีที่จำอย่างทั้งโลก่วกิ่่างแก่ตัวให้มั่ยสลัดเหยงทงโลกาจำดี่สายหูะจด ที่ท่านน่จเข้ทใจตีก็จาได้ถ้ามาอ่านไปยอหนีลืมยอหนีสอนไปยอหนีก็ลืมย่อหนีอันตรายจิตที่สันงก็เขียนอาสาเขียนไปเข้าใจไห้ครับว่เป็นเนตัวให้ ประทับใจประทับใจเยี่มเยี่ยมถึง้องข้ามันน okay. ั่งสมาสังเข้าไปข้างในไขคิดใจายยังอาจาสีเสียจากาซีบเยอะโมีขาเี่ยมเบาคุณเท่านั้นนามาพิจารณาเชนอแจ้งและคิดใใจ ระยะที่บอกกี่นักที่นี่เข้าวัท่านนั่งนั่นซินั่งเ้ากันเฉียนอากาศนขอไปทิ้งจิตเตือนใจหายเป็นเรื่องข้ามูเป็นต่าเอามูล็ต่าท่แตะมันไหวแค่เดียวานหูวัวได้จำเดยวไหวเพื่ เดี๋ยวในเด้อความเจ็ความเจ็ความตายมันจะมีอยู่ตัวห้ามวันเกิดตัวของห้ามเอียกัประจักษ์ขาดเทียนนี่แาดขาดจะเลีีรากีเริ่ยนใจที่ชอบใจหาก็เห็นนี่แหละต้องัวร์ของชัวร์กับเคยถูกเคยกระสอบี่และจำเป็น้องตอวนี้จำเป็ไผูไให้ขวัญน้อก ข้อสีไปจักเนี่ยจ really. ิตในใจสื่อแจ้ไขเย็งส่วงของตัวยางไดลมาว่านีจต่อไปสั่งใจแจ้ไขต้องยืดสีใสสอมยางไดลมันจะสีทิสิเย็นให้พยายามท้ำทันม่มีอันอื่นดอกเดี๋ยวันเปิด เคยตลอดเดี๋ยวล่าทำอย่ความีันอยในตัวขอัวกเปิดเผยห้หูอยู่แล้วเจ็สิหลับควเจ็ควหลับางสัว้างเสียเจ็จเอาค้นความดีกเจจเอานี่เท่านั้นทา้จ ไปเอาทุกกระดี๋ยวซุกไปเดีุ๋กยังเดี๋จิตใจแค่ไขจิ่ตัวกระทั่งจิตดีนี่แก่นี่ร้อนซุกร้านเย็นให้ท่านอ่ะเอาแล้วปัน่ะเดี๋ยว่างอได้เมื่อล่ะ